ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุประชา่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมะวรพุรุนเป็นในการที่เราจะฝึกทำสมาธิให้เกิดปัญญาความรู้วามจมแจ้งกันโดยในทุกวันพุธเป็นช่วงของใต้เริ่มโพธิบทซึ่งพระเช้าจะนำธรรมบังในการทำสมาธิสักครู่หนึ่ง แล้วตามด้วยการมาฟังหัวข้อธรรมะที่จะยกขึ้นเพื่อแจกแจงทำความเข้าใจในระบบเงินขาย ร, รวมถึงการนําไปใช้งานของมัน๋ยวันนี้เริ่มจากการที่ให้เรามาสังเกตในกายของเราดูความจริงในกายของเรากายของเราที่ทุ ก, ทกวันเราก็ดูกระจกดูหน้าหน้าตาฉันเป็นยังไงเนี่ย ดูตามความจริงไม่ด้อว่าต้องดูใครดูจุดไหนแตดูตามความจริงคือดูตามเนื้อผ้าคือไม่ใช่ว่าเนื้อผ้าจริงๆนะคือต่อเราผ้ามาดูดูเนื้อผ้านี้เออเนื้อนี้ชอบสีนี้ชอบแต่สีไหนชอบเนื้อแบบไหนชอบก็ชอบเลย น, นี่คือไม่เห็นตามเนื้อผ้าแต่ถ้าดูตามเนื้อผ้าจริงๆ เราไม่ได้ดูสีไม่ได้ดูเนื้อเราดูกายเราจริงๆเราดูตามจริงๆอิงว่ากายเราเป็นยังไงสังเกตดูในกายหนังนี่แต่มันไม่จริงคือเ้าก็เอาสีมาแต่งเอาไว้ก็เรียกว่าการแต่งหน้าเอาครีมมาท า, าไว้ก็เรียกว่าการทาผิวเอาน้ำยาอะไรมาทําสะอาดเอากรีมสระผม เอาสบู่มาล้างมาทามันก็สะอาดขึ้นมาหนังเนี่ยแต่จริงแล้วถ้าดูตามความจริงเนี่ยหนังนี่มันเป็นที่ซึมออกไหลออกของเหงื่อใครยิ่งถ้่ช่วงหน้าร้อนเนี่ยโเหม็นคือเหงื่อใครมันซึมออกมาจากหนังมันก็เหม็นใช่ปล่ะเอาก็จึงต้องเอาครีมเอาสบู่อะไรามาทามาล้างให้มันหอม หรือถ้ามันสีมันก็ดำกระด่างเป็นตกกะบางคนที่หน้านี่เป็นจุด ๆ, ๆุดจุดจุดนี่ทําไมสีไม่สม่ําเสมอก็ก็เอาสีเอาอะไรมาทาหรือว่าแต่งหน้าสีมันไม่ได้อย่างที่ต้องการคุยังก็ใส่ลงไปแต่ลงไปบนผิวบนหนังแต่มันสีชมพูแบบนี้นี่มันขาวอย่างนี้โทนนี้ไล่สีไปอย่างนี้ คที่วาทาลงไปเนี่ยมึนคือของไม่จริงไงของปลอมแล้วทีนี้ถ้าเราเอาพวกนี้ออกซะลอกผิวออกเอาเครือ่องสำอางออกให้มันเหลือแต่หนังล้วนๆนี่คือหน้าสดนั่นเองปางคนมาปบธรรมไม่ได้แต่งหน้าใช่ไหมก็หน้าหนึ่งแต่พอกลับบ้านไปทางานเดินทางต้องเที่ยว ไปเจอกันข้างนอกเนี่ยบางทีเีดูไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะว่าพอแต่งหน้าเปลี่ยนขึเรื่องแต่งตังตวแล้วบางทีมันจําไม่ได้คือคนละหน้ากันแต่จริงหน้าสดนี่คือที่เขาลอกเอาเรื่องสอําอางเครื่องแต่งอาไราต่างๆออกแล้วหรือแต่คล้องจริงๆคือหนังเฉยๆร่างกายของเรานั้นมีหนังห่อหุ้มาไว้กลางตายของหนังลงไปเนี่ยเป็นเนื้อซึ่งเนื้อนั้นก็มีเลือด อยู่ในเนื้อมีเลือดที่มันก่อกันอยู่กับกระดูกร่างกายของเรามีกระดูกตั้งขึ้นเป็นโครงกระดูกเนี่ยไม่ได้มีชิ้นเดียวมันก็มีหลายชิ้นต่อๆกันยึดกันด้วยเอ็นตั้งขึ้นเป็นโครงขึ้นแล้วมีเนื้อมีเลือดยึดโยงไว้ให้ขยับได้มีอายุว่าภายใน แต่ไม่ระบบต่างๆมันฟังก์ชันไปเป็นเลืดบ้างเป็นอาหารบ้างหุ้มอยู่ด้วยหนังท่านจึงบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยมีกระดูกยกขึ้นเป็นโครงสาบทาไว้ด้วยเนื้อและเลือดหุ้มหอไว้ด้วยหนังบนไปอยู่ในอวัยวะสีคือเดินยืนนั่งนอนมีทวารทั้ง 9. หลักๆ ก็ปากจมูกนี่เป็นเข้าทวันหนักทวันเบานี่ก็เป็นออกเหมือนไถ้คือถุงชนิดที่มีปากเปิดได้สองข้างเป็นถุงหนังเป็นไถ้หนังมีระยาง ย, ยือดออกมาเป็นแขนขามีสิ่งต่างๆเยิ้มออกมามันก็เหงื่อใครเหมือนด้วยร่างกายของเรามีลักษณะแบบนี้ เห็นตามความเป็นจริงเราเสนที่เราเห็นตามความเป็นจริงนี่คือการโยนิโสมณัสิกานไร้กุเรนตามความเป็นจริงแต่เราทำอย่างนี้ได้มันก็มีสติอยู่ในนี้คือเป็นกายคตาสติมีสติสัมปชัญญะเห็นตามความเป็นจริงโยงนิโ ส, สมณสสิก า, า, ารด้วยทำจิตของเราให้มีความสงบตั้งจิตของเราไวให้ดี อาวเหรอตมโฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบขึ้นมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เราก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อประเด็นธรรมะที่จะยกขึ้นก็ เ, เรียกว่าเป็นแม่บทหรือมาธติกาในช่วงของใต้ร่มโพธิบท ที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยจำแนกแจกแจงตั้งขึ้นเอาไปแล้วเราก็นามาทำความเข้าใจแจกแจงนําไปใช้งานให้ไม่เกิดประโยชน์ได้โดยการทำความเข้าใจในหัวข้อแม่บทแต่แม้เรื่องใดๆทั้ฟังก็ต้องระวังในการที่จะไม่ให้เกิดความยึดถือในสิ่งนั้น ธรรมชาติของมรรคของธรรมะในการทำการปฏิบัตินี้มันจะทำให้เกิดคลายความยึดถือไปในตัวอยู่แล้วถึงกระนั้นก็ตามความยึดถือคืออุปาทานที่มีเหตุมาจากเจ้าตัญหามันถูกอภิชาปกปิดพังเอาไว้ได้แตาไม่แม้แต่ธรรมะนั้นน่ะมันก็ไปยึดถือได้ จึงป้องกันด้วยการที่ทำจิตให้สงบสักครู่หนึ่งแล้วก็มาทำความเข้าใจในหัวข้อวันนี้เรายกหัวข้อเรื่องของอวิชชาอาวิชชาแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าความไม่รู้ที่ยกเรื่องนี้ขึ้นต้องการจะอธิบายจากทั้งสองด้าน จากด้านของความรู้ในอริยสัสแต่ละข้อที่กพชาได้พูดไปในอันโัดที่แล้ววันนี้เรามาทำความเข้าใจจากด้านของความที่ไม่รู้เราไล่ไปที่ระประเด็นตัวฟังต้นให้ความหมายของคำว่าอวิชชาวิชาเนี่ยหมายถึงความไม่รู้ไม่รู้ในอะไร คือไมอ่รู้ในอริยสัจสีนั่นเองไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกไม่รู้ในความดับไม่เหลือของทุกและไม่รู้ในทางดําเนินให้ถึงความดับไม่เหลือของทุกและไม่รู้สีอย่างนี้นี่นั่นแหละความไม่รู้นั้นน่ะคืออวิชชาต่อให้คุณรู้ความรู้ทั้งโลกในการก่อสร้างในทางการแพทย์ ในทางชีววิทยาในทางเคมีในทางวิทยาศาสตร์ทางการเมืองสังคมอย่างไรก็ตามแต่ตาความรู้ส่วนต่างๆนั้นเนี่ยไม่ได้มีเรื่องทุกสมุทัยนี้รอดหรือมกักความรู้ที่คุณรู้นั้นน่ะคนะือความไม่รู้อันนี้ใช้ศัพท์ภาษาไทยมันจึงมีความสับสนนะเราพูดถึงกับมาความรู้ที่ว่าความรู้ทั้งโลก เรื่องวิทยาศาสตร์เรื่องสังคมการเมืองหรือว่าวิทยาการอย่างใดองใดอันนั้นเราไม่ได้มาจากศัพท์คาวิชาละแต่นัินเราหมายถึง knowledge หมายถึงปริยัตหมายถึงความรู้ในทางอื่นๆ ท, ทั่วไปคำว่าความรู้นี่ไม่ได้หมายถึงวิชาไม่รู้นี่หมายถึงอวิชาซึ่งไม่ใช่ว่ามันตรงข้ามกันความรู้กับความไม่รู้ คือคำภาษาไทยนี่ยเาฟังคำว่ารู้เนี่ยนะมันไปใช้ในทุกๆอย่างเลยเยอะแยะมากมายสิทธวิญญาณเราก็ใช้คำว่ารู้แจ้งสติเราก็รเรียกรูรก้รู้วิจารกับแบบความรู้แล้วการเรียนรู้เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรบริยัตบ้างสิกขาบ้างแล้วพอความรู้ในทางวิทยาการสมัยใหม่เอากูเรียกอะไรทางบาลีก็เรียกว่า วิชาโลกาญตาิหรือในเกี่ยวกับโลกวัชชะแต่ว่าแปลเป็นภาษาไทยแล้วมันใช้คำว่ารู้แทรกอยู่ไปหมดโดยเฉพาะอย่างคำว่าความรู้นี่มีทั้งความรู้ชนิดที่เป็นข้อมูลเป็นความรู้แบบ knowledge เป็นความรู้แบบปริญัดเป็นความรู้แบบทางปรัชญาอันนี้ถ้านผูฟังอยา่ากสับสนแต่เข้าใจบริบท พยายามกำหนดบทเปลี่ยนชนะให้ดีจนไม่เกิดความเข้าใจได้ความรู้ที่ข้าพเจ้าพูดถึงคือวิชาเทียบกันกับความไม่รู้ที่ยกเป็นหัวข้อตั้งขึ้นคืออวิชาความไม่รู้ในที่นี้คือความไม่รู้ในเริยสัตว์ทั้งสีไล่ไปตีหัวข้อทุกฝั่งคือความเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า สุขกัเวชนานี่มันเป็นสุขทุกขเวชนาเนี่ยมันเป็นทุ ก, กข์ความคล้ายเกลื่อนนั้นน่ะมีอวิชชาแฝงอยู่นี่คือหนึ่งองคอของทุกข์คุณเข้าใจว่าเอ้คนนั้นน่ะมันเป็นเหตุของทุกข์ทำให้ชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้เพราะแม่บางเพราะพ่อบางเพราะสังคมบงังพระนักการเมืองบางเพราะคน น, คนนั้นคนนี้เพราะเศรษฐกิจเพราะโควิดคุณก็ใจคล้ายเกลื่อนไปอย่างเนี้ยความคลายเกลื่อนนั้นน่ะ มีอวิชชาแฝงอยู่แทรกซึมอยู่ในจิตของคนคนนั้นนี่คือในหัวข้อของสุโมทยัยหรือความที่คุณเข้าใจว่าโอ้จะไปอยู่ในที่ที่มันจะมีความสุขนิรัน์ไปอยู่สวรรค์ที่อยู่เป็นนิรันดรานั่นแหละจะเป็นความดับทุกข์ความเ ข, าข้าใจคลาดคกเลยนั่นแนะมีอวิชชาแทรกอยู่หรือในความเข้าใจที่ว่า เออตายแล้วก็แล้วกันจบๆกันไปไม่ได้จะมีผลอะไรต่อเนื่องจากเหตุอะไรที่มีตายแล้วก็จบกันขาดศูนย์ความเข้าใจก็กลากเกลื่อ น, นนั้นน่ะมีวิชาแทรกอยู่นี่เป็นหัวข้อของนิโรธหรือมีความเข้าใจว่าด้วยการกระทำอย่างนี้อย่างนี้เสร็จการอ้อนวอนการขอร้อง หรือการทำท่าทางการทำปลีกกรรมอย่างได้อย่างหนึ่งเออมันจะเป็นเหตุให้เกิดการพ้นทุกข์ได้ให้ผู้เป็นใหญ่มีความเห็นอกเห็นใจความพอใจแล้วเราก็จะพ้นทุกข์วิธีการที่คุณเข้าใจคล้ายเคลื่อนไปนั้นน่นน่ะนั่นมีอวิชชาแทรกอยู่แฝงอยู่นี่คือหนึ่งหัวข้อของมรรค มันยังล็อกกันต่อไปอเพราะว่าความรู้ในอริยสัจทฟังมันมีสี่ความจริงอันประเสริฐถูกไหมในแต่และความจริงอันประเสริฐสีข้อกูยังต้องไปอีกสามชั้นที่พูดเมือสนสกุลหนึ่คือชั้นแรกมันยังล็อกต่อกัไปตรงที่บอกคือถ้าเรารู้เข้าใจแล้วอะว่ า, วาเออทุกเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่า คือกัรหานะสุขเวทนาก็เป็นทุกข์เราเริมีความเข้าใจแล้วว่าจริงๆเหตุเกิดทุกข์มันไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ผู้อื่นบันดาลหรือไม่ใช่เป็นเครื่องท้นส่งทศสารอะไรแต่มันคือตัณหาหรือเราเข้าใจแล้วว่าความดับไม่เหลือของทุกข์มันมีได้อะไรเกิดแล้วไม่ดับมันไม่มีสิ่งใดเกิดจิงนั้นก็ต้องดับถ้าดับเหตุมันแล้ว นิโรดหนึ่จงจึงจะปรากฏแจ้งมีได้เอาเราพ้นทุกได้นี่ยนะอย่างเงี้ยเออคุณเข้าใจถูกแล้วใช่ไหมหรือเข้าใจแล้วว่าเออแทานที่ว่าต้องพึ่งคนนั้นคนนี้เฮ้ยแต่ว่าเราก็พึ่งตัวเองได้นี่ยนะปฏิบัติตามมักแปดเนี่ยมีหนทาง8ปดก็ปฏิบัติได้จริงเออตรงนี้แหละเป็นทางที่จะพ้นทุกได้เนี่ยนี่คือคุณเข้าใจเริยสสีเหนียวราบแหลกแล้ว ต่อไปยมันล็อกต่อไปอีกคุณผู้ฟังอวิชานะมันลึกมันลึกตรงที่ว่าอลคุณผู้ชายหน้าที่ที่ต้องถามถูกไหมผู้ชายถูกว่าปึงแล้วเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะละทุกทุกนี่ต้องละต้องละขนาดน่ะความเข้าใจลากลายเกลื่อนนั่นแหะต่อให้เข้าใจในรอบแรกถูกแล้วใช่ไหมมือนยังมีอวิชาแฝงอยู่หรือเข้าใจว่าโอ้ฉันจะปฏิบัติตามมากให้มันได้มากๆานี่ฉันต้องมีความอยากต้อง ตั้งความที่ว่าประสงค์เอาไว้มันต้องมีแพชชั่นสิในการทำนี่มันถึงจะทำได้แพชชั่นนี่คือความตะยานอยากนั่นแหละคุณอยากได้มากเท่าไหร่คุณจ่งประสบความสาเร็จมากขึ้นเท่านั้นแม้ในมักด้วยก็ตามเอาสู้เออคิดอย่างนี้ใช่ปะ่ะความคลายเครื่องนั้นน่นนะก็มีวิชาแปลงอยู่หรือพอราปฏิบัติทําไปแล้วเข้าใจแล้วว่าฉันต้องปฏิบัติตามนี้ พอปฏิบัติไปแล้วโอ้เกิดความเบื่อโลกมากๆเลยเออเนี่แหละมันคือความดับคือนิโรธแล้วฉันทำให้มันแจ่งขึ้นมาแล้วความเข้าใจกลายเกินนั้นนะ่ะนั้นแหละมันมีอวิชชาแฝงอยู่หรือในขณะที่เราปฏิบัติธรรมะไปปฏิบัติไปปฏิบัติไปจิตมันไม่เป็นสมาธิเลยคือมันเป็นสมาธินิดหน่อย เรากเลยคิดว่ามันก็ไม่เป็นสมาธิเลยเลยทำแบบจับจับจดจดไม่จริงไม่จังทำแบบว่าเออปีหนึ่งก็ทำสักทีหนึ่งพอกลับไปบ้านที่เหลือก็ทำแบบทิ้งๆิ้คว่างๆางเจอคนก็ด่าบ้างก็ทำไม่พอใจก็โกรธบ้างความเข้าใจแกลกเเล่นนั้นนะ่ะมันมีวิชาแฝงอยู่ชมฟังยังล็อกึ้นต่อไปอีกนะ ในรอบที่สามที่คิดว่าทำได้แล้วฟังและท่านฟังอาจจะงงๆก็นี่แหละมันเกิดวิชาไม่ได้ไม่งงให้พระมาะไปบุญพูดอะไรคือถ้าเราเข้าใจทุก์บ่ต้องเป็นสิ่งที่ควรละนี่นั่งคือความเข้าใจผิดแต่ทุกเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราต้องอยู่กับมันเราต้องเข้าใจมันอยู่ให้เป็นกับทุกนี่ตื่ในรอที่สอง ไม่ใช่จะ ก, กำจัดมันสิ่งที่ต้องกำจัดเนี่ยคือตัณหาต่างหากตัณหาไมา่ได้ทําให้มากๆากถเข้าใจคลาดเคลื่อนความคลาดเคลื่อนนั้นมีอวิชชาหรือถ้าเราปฏิบัติทําไปแล้วเราเกิดเบื่อโลกเบื่อคนนั้นเบื่อคนนี้เบื่อการงานไม่อยากจะทําอะไรเสงกระตายเอา้าความลาดเคลื่อนที่ว่าเกิดกิเลสบางอย่าง ชนิดละเอียดขึ้นอย่างขาร่าบงามโดยเข้าใจว่าเออนี่มันก็เป็นอย่างนี้แล้วน่าควรปฏิบัติธรรมคิดว่านี้คือนิโรดนี่ความก็ใชใคลาดเคลื่อนนหนูก็นิโรดมันก็เพราะมีอวิชชาแฝงอยู่ที่กิเลสตัณหามันมีความละเอียดลงไปทำให้เราสับสนว่าเ อ, อ้ยนี่มันคือนิโรดซึ่งนิโรดเราต้องทําให้แจ้งไม่ใช่ว่าพอเราละกิเลสอย่างห ย, ยาบ ไปเจอกิเลสอย่างละเอียดคิดว่านั่นคือนิโรธไม่ใช่หรือในการทำตามมารกนี่คิดว่าเออต้องทำที่วัดต้องมาปฏิบัติชนิดนั่งสมาร์ทที่หลับตาปีละครั้งสองครั้งเข้าคอร์สประเดี๋ยวทที่นั่นที่นี่มันก็อเข้าคอร์สออนไลน์อยู่บ้านแต่พอเวลาอยู่ในชีวิตประจาวันเดินทางเจอผู้คนทำงานก็ไม่ได้รักษาที่จะปฏิบัติเจริญให้มัน ได้อยู่ตลอดที่ว่าเป็นพิธีกรรมบ้างที่ว่าทำได้เฉพาะบางเวลาบ้างผองความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเกิดวิชาแต่จริงท่านให้ทําให้เจริญทําให้เจริญนี่คือหมายถึงทํามันตลอดเวลาไม่เฉพาะอยู่ที่วัดหรือเวลาที่มาปฏิบัติธรรมแต่ทําตอนทํางานทําตอนเดินทางทําตอนเจอผู้คนทําตอนเข้าห้องน้ําทําตอนกินอาหารทามันทุกเวลานี่คือการทําให้เจริญไม่ใช่เฉพาะบางเวลา ก้องใ้ใจให่ถูกยังตอบไปอีกที่ว่ารับที่สามคือเข้าใจว่าตัวเองได้ทําแล้วเนี่ยจริงๆยังไม่ได้ทําหรือทํายังไม่เสร็จถึงที่สุดแต่เข้าใจว่าได้ถึงที่สุดแล้วเนี่มันมีวิชาแฝงอยู่ตลอดตัง้งแตัง ว, วิชายมันเป็นลันกษณะของกิเลสที่มันละเอียดมีแทรกซึมอยู่ในทุกที่ทุกอย่างคือที่พูดเนี่ยเพราะว่าแม้แต่โสดาบัน แม้แต่สกทาคามีหรืออนาคามีที่ยังละวิชาไม่ได้ก็ยังมีอวิชาอยู่แม้แต่ในขณะที่คุณกําลังเดินตามมรรคอวิชามันก็แทรกซึมอยู่ท่านผู้ฟังเพราะมันคืออนุใสก็ ว, ว่าอนุใสในี่หมายถึงกิเลสที่มันละเอียดมากเป็นผลของกิเลสอย่างกลางๆเป็นผลของกิเลสอย่างห ย, ยาบ กิเลสย่างยาบหยาบวิราคาโทสะโมหะมันก็ทําให้เกิดการกระทําชนิดที่เป็นทางกายวาจาใจมีการกระทําลงไปมันก็ทําให้เกิดการสะสมสร้างกิเลสอย่างละเอียขึ้นในจิตของเราหนึ่งในนั้นก็คืออวิชชาวิสัยในการปรุงแต่งทุกอย่างคำฝังมีอวิชชาสรงอยู่หมด แม้แต่ในการปรุงแต่งคือมักแปก็มีอวิชาแทรกอยู่แทรกอยู่ตรงที่ว่าเรายังกําจัดอวิชาไม่ได้อวิชานี่มันจึงมีอยู่แต่ว่าในการปรุงแต่งนั้นอยู่ที่ว่าเราให้อาหารมันหรือเรากำลังลดอาหารของมันในประเด็นต่อไปก็คือว่าแล้วอวิชานี่มันมีเหตุมาจากอะไร พุทธเจ้าได้เคยบอกภิกษุรูปหนึ่งว่าอาวิชามีเนี่ยก็เพราะมีอวิชานี่แหละคุณมีความไม่รู้ในความไม่รู้เหมันจึงมีหนึ่งไม่ได้ตอบคุณกวนนะจำฟังคือความไม่รู้เนี่ยมันกว้างขวางมากคือสมมุติเราจะพูดถึงว่าเอามีตัณหากับเพราะว่ามีเวทนาหรือมีเวทนากับเพราะว่ามีอาพัสสะนันหรือคือมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ใช่ไหม แต่ทําไมพอไปถึงองวิชชาแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันไม่ได้มีอะไรต่อก็เพราะมีอวิชชาน่ยจึงมีอวิชชาเอาต่อไปดูก็เพราะมีอวิชชาตัวที่สามน่ยมันจึงมีอวิชชาตัวที่สองเอาต่อไปดูเพราะมีอวิชชาตัวที่สี่น่ยมันจึงมีอวิชชาตัวที่สมต่อไปดูอีกเพราะมีอวิชชาตัวที่ห้ามันจึงมีอวิชชาตัวที่สี่มันเป็นอย่างงี้ท่านฟังอวิชชาน่ยมันจึงทําให้เกิดอวิชชาเพราะมันอยู Zum ่ที really> s <S ่ว่าปริมาณมันมากหรือมันน้อย ปริมาณมันมากๆเลยเนีย่มันก็เป็นโมหะขึ้นมาให้เห็นเยอะมีโมหะมากๆราคะโทสะมันก็โผล่มาบิ่มบำเบิ่มบำ ม, ม, มา ก, กหรือน้อยมันสําคัญตั้งถึงพูดถึงเพราะความจางคลายค่อยๆจางคลายจางคลายไปจนหมดจนดับเนี่ยมันถึงจะมีความแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ได้ อวิชาต้องลดน้อยลงฉะนั้นไม่มาถึงต่อไปว่าเอาเราจะทําไงถึงจะลดมันลงได้ก็ต้องกําจัดอาหารของมันที่พูดถึงว่าเหตุของอวิชาก็คืออวิชาไม่ได้กวนแต่ที่ควรสนใจจริงๆคืออาหารของมันต่างหากว่ามันอ้วนมันโตมันใหญ่ยิ่งตัวใหญ่ยิ่งดำยิ่งอ้วนยิ่ง มีปัญหาอภิชานี่อะไรให้อาหารมันทำไมมันถึงตัวอ้วนตัวใหญ่ขึ้นมาได้อภิชานี่เพราะมีนิวรณ์หท่านว่ามีนิวรณ์หอย่างนิวรณ์หนี่คือเราเริ่มเห็นตัวมันแล้วมันอยู่ในใ จ, ใจิตใจเข้าใจไหมแต่วิชาเนี่ยตอนทีมันอ้วนแล้วมันตัวใหญ่แล้วมันก็ดําปื้อเลยคุณก็ไม่เห็นมัน เพราะมันเป็นอวิชชาไงไม่รู้ไม่เห็นตัวใหญ่ขนาดนั้นโผล่มารองรอยกอมันมีอย่างไงนะอาหารก็มันนี่และแต่ยิ่งมีอาหารมากมันยิ่งอ้วนอะไรคืออาหารของมันเห็นเห็ น, หนชัดๆคือนิบอนาน่นานิบอาน่คือการมชันทะการมราคะความยินดีพอใจไปในทางกรม จิตมันจะน้อมไปยินดีในอาหารบ้างยินดีไปนในเสื้อผ้าบ้างยินดีไปนในของแบรนด์เนมบ้างยินดีไปนในรถหรือว่ามีพยาบาทความไม่พอใจไม่พอใจการเมืองบางไม่พอใจรถติดบางไม่พอใจโรภคภัยไข้เจ็บบ้างนี่มันอาหารของวิชานะหรือมันยังมีปรากฏร่องรอยวะง่วงขี้เกียจ เบื่อเสงสังกตายไม่อยากทำอะไรลักษณะของทีนา ม, มิตานี่เนี่ยคุณให้อาหารในวิชายอยู่นะหรือความที่ฟุ้งซ่านรำคาญใจคิดเรื่องนั้นเราก็ต่อเรื่องนี้เราก็คิดเรื่องโ น, น้นแต่แล้วเรื่องที่คิดก็ไม่การพยาบาติก็เบียดเบียนมึนงงตึงๆคิดว่าคนนั้นไม่ดีคิดบอกคนนี้ก็ไม่ใช่ คิดว่าคนนัก็มีปัญหาคิดตำหนิคนนั้นคนนี้นี่แล้วมันคิดฟุ้งซ่านมันคิดเบียดเบียนนี่มันเป็นอาหารของอภิชานะหรือความเคลือบแคลงไม่หลงใจไม่เข้าใจอะไรนะยังไงใช่ไม่ใช่ยังต้องเชื่อผู้อื่นในคำสอนแห่ง ศ, ศาสนาของตนเองอยังไม่สามารถที่จะบอกว่าเข้าใจได้เอง ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นเนี่ยในความที่มันยังมงงมหมืนต้องถามเขาเนี่ยที่คุณให้อาหารกับวิชาอยู่นะเป็นวิจิกิจฉานะ่ะนิวรณ์ห้าจึงเป็นอาหารของวิชายิ่งมีอวิชายิ่งอ้วนยิ่งมีกำลังมากแล้วถามว่านิวรณ์ห้ามันมีอาหารมาจากอะไรมันก็จะมาจากทุดิยภิริสามอย่างนี่แหละ ทุจริตสามคือกายวาจาใจกายกรรมวิจิกรรมรรมโมนโกรรมมันเป็นทุจริตกยจกรรมทุจ ร, ริตก็สัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการดื่มสุราเมไรอันเป็นที่ตั้งความประมาทวิจิทุจ ร, ริตอ่ะก็พูดเน็บแนมกันพูดตะลอกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดทิ่มแทงกัน นี่พูดเนบกันนี่คนหนึ่งกรับรวูวเดียวกันกูจะให้กันเห็นกันแล้วก็ชังกันนี่มันเป็นอาหารของอวิชชาเนะนี่ยท่านฟังนี่เป็นหนึ่งในจุจริตสเห็นแล้วชังกันเนี่ยมันก็เป็นปยาบาทมาจีกรรมที่เป็นจุจริตก็ยังมีความเข้าใจคลายเคลื่อนที่ว่าอ่อนบอนขอร้องถือเรื่องโชคลางคลองขลัง เ, เรื่องดวงเรื่องราศีคนเกิดราศีนี้ปีนี้ไม่ถูกคนนั้นนี่เชื่อเป็นตัวเป็นตาไปนี่ก็เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นสักยะทิฏฐิเป็นวัตถโกตัวละมงคลนี่มันก็เป็นทุจริตในทางใจเป็นอาหารของอวิชชาดิหนี่กายวาจาใจอันเป็นทุจริตหรือทุจริต3ามเอาทาไมถึงมีการกระทํา ในทางกายวาจาใจที่เป็นไปนในทางอากุศลได้มันปล่อยก็ไม่ได้งไงเพราะจิตถูกครบอบงําด้วยกิเลสไงท่านผู้ฟังเอากิเลสมาจากไหนก็เพราะว่าขาดการสํารวมคุณไม่สํารวมนี่แหละมันจึงมีจุดสิริสามอย่างกิเลสมันจึงถ้าไม่เกิดมีการทํากรรมไงกิเลสคือราคะโทสะโมหะถึงจะไม่เกิดมีการกระทำํำทางกายวาจาใจ เป็นทุจริตแปลว่าจาใจเป็นทุจริตเป็นเหตุแต่ไม่มีผลนั่นก็จึงสะสมไปเป็นอวิชชาอยู่ในจิตใจของเราโผลมาอย่างห ย, ยาบๆก็เป็นนิบรอหะเอเยลงไปก็เป็นอวิชชาคำถามก็คือว่าลูกคุณมามีกิเลสได้ไงเนี่ยของพวกเราไม่สมรมินทรีใช่ไหมล่ะไม่สมรมินทรีย์ถึงถูกกิเลสเข้ากราบงาํา เดีวทำไมถึงไม่สมบูรณ์มินรีมันมีอะไรมาเป็นเหตุคุณว่าขาดสติสัมปชัญญะไงแต่ไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสติปัญญากิเลสกราบงามแน่โอ้ยแล้วทําไมคนนัาถึงจะไม่มีสติมันจะขาดปัญญาได้ยังไงเพราะคุณไม่ได้โยนิโสโอมนสิการคือการมาขบคิดคิดให้มันถูกต้องเป็นกระบวนการ คนที่ไม่ได้คิดให้เป็นกระบวนการมันจะยุ่งมันจะมึนมันจะตึงยุ่งมึนตึงก็คือเผลอเผลอก็คือขาดสติขาดสติไม่มีสัมปชัญญะก็ถูกกิเลสเขาคราบงำโอ้ทำไมคิดไม่เป็นระบบได้ก็มันไม่เป็ น, ยนโยนิสโอมันสิการคุณไม่ได้คิดเป็นระบบไม่ได้เข้าใจอะไรให้มันถูกต้องมันจึงเป็นอาหารของพิชาได้พวกนี้ ถามว่าทําไมความคิดไม่เป็นระบบไม่รู้ว่าจะต้องคิดถูกต้องยังไงเขาก็เพราไม่ได้เคยฟังสิ่งที่ว่าถูกต้องมันเป็นยังไงได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นดนตรีบ้างช้อปปิ้งลิสต์บ้างหรือว่าอะไรที่มันไม่ได้จะเป็นถูกอะเป็นของล้วนๆยั่วยวนเราไม่ได้เคยฟังสิ่งที่ว่าไอ้ที่ถูกมันต้องเป็นยังไงคือไม่ได้ฟังตามนั่นแหละมันจะเป็นโยนิสโอมันจะกัดได้ยังไงเราจะไม่ถึงไม่ได้ฟังทํา ไม่ได้มีศรัทธาคือศรัทธาการฟังธรรมเนี่ยมันจะเกิดก่อนเกิดหลังสลับกันไปกันมาได้คือคนไม่มีศรัทธาก็ไม่ได้ไปฟังธรรมคนไม่ได้ไปฟังธรรมมันก็ไม่มีศรัทธาทงไงถึงจะได้มีการไปฟังธรรมหรือจะทําให้เกิดศรัทธาได้เราก็ต้องรู้จักคนที่เข้าจะมีข้อมูลพวกนี้คนมีข้อมูลในทางความจริงเนี่ยเขเป็นคนดีกันตั้งนั่นแหะหรือคนที่เขาชักชวนกันไปดีเราก็เรียกว่าเป็นสันบรุษ มีสัตว์บรุษเป็นเพื่อนคบหาเขาชักชวนไปมีการฟังธรรมเราจึงได้ฟังธรรมรู้ข้อมูลที่ถูกต้องว่าวิชาความรู้จริจรงๆคืออะไรเราก็จะสามารถใกล้คนได้ทีนี้ถ้าบอกว่าไม่มีคนแบบนั้นหรือมีคนแบบนั้นแล้วไม่ได้แปลว่าจะไปสนใจคบกับเขาอยู่หรือแบบรู้จักกันเฉยๆแต่แบบก็บอกอยังไงก็ไม่ฟัง คือไม่ได้คบกันอยู่ใกล้กันเนี่ข้างห้องกันแต่กลับไม่ได้คบหากันนะบางคนแบี้คือแบบก็พูดอะไรก็ไม่ฟังขัดกันไม่พอใจกันก็ถือไม่ได้คบกันไม่ได้คบกันมันก็ไม่ได้พูดคุยในเรื่องที่ดีกันได้ต่อให้อยู่ใกล้กันก็ตามเพราะไม่ได้พูดคุยกันมันก็ไม่ได้ฟังเรื่องที่เป็นความจริงอันประเสริฐไม่ได้ทำให้เกิดความรู้ ไม่ได้ฟังธรรมไม่ได้ฟังเรื่องที่จะไม่ห้เกิดความรู้ในความจริงรอันประเสริฐอันใดอันหนึ่งมันก็ทําให้ขาดศรัทธาขาดการใ ร, ร่้คุรนโดยแยบกายตามระบบของความจริงอันประเสริฐพอขาดการใรกลร้คุรนโดยแยบกายมันก็จะมึนๆตึงๆใช่ไม่ใช่อย่างไงมันก็เปลือยเปลนนั่นคือไม่มีสติสัมปชัญญะพอเปลือยเปลลงไปตามภาษาที่มากระทบ มันก็ไม่สํารูณ์ยินสีละโฆษณาเขาว่ายังไงคนนี้คนดึงไปทั้งไหนปหนัญหามันเกิดยังไงงวง ม, มึนไม่มีการสํารูจ์ยินสีก็ถูกกิเลสกรับงํามูุกิเลสกรับงํามก็ขขทํากรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจทํากรรมที่ไม่ดีทางกายวาจาใจยิ่งพอกพูนไดเห็นออกมาเป็นนิวรมีนิวรมอาวิชาเแหละ มันอ้วนเอาอ้วนเอาแข็งแรงเข้าแข็งแรงเข้ามีอานาจมากขึ้นมากขึ้นเราไม่เห็นตัวมันด้วยซ้ำบนไปอย่างเงี้ยคือเป็นแทรกซึมไปในทุกอย่างว่ามีวิชามากเข้าเป็นเหตุใช่ไหมมันก็ไปผลแต่ไม่เกิดการทำกรรมที่ไม่ดีกรรมที่ไม่ดีเป็นเหตุมันก็จะไม่เกิดผลเป็นวิบาก มิบารก็ทำให้เจอสิ่งที่ไม่ดีเจอเพื่อนไม่ดีมีอสวว่ามากขึ้นอสวว่ามากขึ้นเป็นเหตุก็ทะไม่เกิดผลเป็นการกระทาที่ก็ไม่ดีต่อไปแลวต่อไปอวิชชาเนี่มันจึงครอาบงำเป็นเจ้าเหนือหัวของสัตว์ทั้งโลกเนี่ยอยู่ณตอนนี้วิวัฒทะเลาะ ก, กันทะเลาะ ก, กันแบ่งเป็นข้างเป็นฝ่ายเป็นสีเป็นกลุ่ม เป็นซ้ายเป็นขวาสงครามโลกสงครามกลางเมืองบริแม้แต่กันถกเถียงกันในเวทีสปาอันใดที่ประชุมตรงไหนเรื่นกของพระ ว, วิชาเนี่ยแหละทุกฝั ง, งเป็นคราบงาไวาในรูปของกิเลสที่ปลอกมาให้เห็นเป็นการกระทําตั้งกายวาจาใจที่เราสังเกตเห็นกันได้เปิดหนังสือพิมพ์หน้าไหนก็มี เปิดทีวีช่องไหนก็เห็นมันมาหมดท่าผู้ฟังราบงามไว้หมดนี่คืออาหารของอภิชาคําถามคือเราจะกําจัดมันเนี่ยจะกําจัดมันได้ยังไงอภิชานี่เพราะมีความจางคลายดับไปไม่เหลือแห่งอวิชาถึงมีความดับแห่งสังขารตันบาเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแ ห, ห่งวิญญาณ ประมีความดับแห่งบิณ ญ, ญาณจึงมีความดับแห่งนามรูปไล่ไปไล่ไปนี่นะแต่ละข้อละข้อเนี่ยที่ว่ามันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้แล้วมันดับได้ดับได้เกิดขึ้นได้ก็เพราะว่าตัณหาวิชาดับได้เนี่ยก็เพราะว่าศีลสมาธิปัญญาเลยเรียงดูอีกทีหนึง่งดูยอย่างเช่นว่ารัมมีผัสสะจึงมีเวชนาใช่ไหม โอยทำไมมันเกิดขึ้นได้ไงไอความเกิดขึ้นของตัวเนี้ยเพราะมันมีอวิชชาแทรกอยู่แทรกอยู่ตรงไหนตรงความไม่รู้ที่ว่าทำไมมันต้องเป็นอย่างนี้เพราะมีผัสสะจึงต้องมีเวทนาเพราะมีเวทนาจึงต้องมีตัณหาเหรอเฮ้ยถ้ามีผัสสะแล้วไม่มีเวทนาได้ไหมความรู้ในระบบใช่ไหมหรือถ้าเราไม่รู้อา้ามันมีก็ต้องเกิดมันเป็นเหตุปัจจัยมันมาอย่างนี้ เปนเหเป็นผลเป็นผลเป็นเหตุมีภาษรก็ต้องมีเวทนามันต้องเป็นอย่างนี้คือมันไม่เปลี่ยนจากความเป็นอย่างนี้ไปได้คือมันต้องเป็นอย่างเนี้ยให้ความที่ว่าคุณว่ามันต้องเป็นอย่างเงี้ยนั่นแหละมันมีอวิชชายังไงนะก็เพราะความที่ไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ความไม่รู้นั้นน่ะคืออวิชชาเขาก็ไม่ใช่ว่ามันต้องเป็นอย่างนี้หรอกฉันว่าเป็น ตา ต, ตาตาไงเปนมาเป็นมันไม่เป็นไปจากความเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอนัญญตาตาเนี่ยแล้วทําไมมันถึงจะไปเป็นอย่างอื่นได้ไงความเกิดท่อกว่ามันต้องมีความดับความเกิดเพราะอาศัยอวิชชาตันหาความดับก็เพราะว่าต้องอาศัยวิชาวิมุตินี่แหละคือคําตอบว่าแล้วจะกําจัดอวิชชาได้ก็ต้องมีวิชา แจะกำจัดตัหาได้ก็ต้องมีวิมุตต์คือความพ้นถามว่าจะมีวิชาเพื่อดับอวิชาจะมีวิมุตต์เพื่อดับตัณหาได้ทางด้านฝั่งมันมีอยู่เป็นทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเริฐแปดอย่างอย่างเมื่อสักครู่นี่แหะที่ว่าวิชามีได้กับราะว่านนิวร์ใช่ไหมเป็นอาหารของมันมาอ้วนเอาอ้วนเอา เราจะตัดอาหารของมันคุณก็ต้องกำจัดนิวรณ์ออกไปเราจะตัดอาหารของเจ้าวอาวิชชาคุณต้องทำวิจัยให้เกิดขึ้นคุณจะทำวิจัยให้เกิดขึ้นคุณต้องทำโพชฌงเจตคือองค์ทำในการตรัสรูร้ดำมีสมาธิสำโพชฌงเป็นต้นมีสมาธิสำโพชฌง์ไอ้นิวรณ์มันล้นลงไปโดยปริยายเราทำโพชฌงเจตให้เกิดขึ้น นั่นจะเป็นอาหารของวิชาและวิมุตต์มันจะไปลดาวิชาโดยตรงเพราะเป็นตัดอาหารของอวิชาคือนิวรณ์หโดยโพชงเจ็ส่วนไหนส่วนสมาธิไงเหมือนเป็นเทคนิคทางการแพทย์บางอย่างดูฟังที่เขาจะไปกำจัดแบคทีเรียเนี่ยคือก็ไม่ได้ว่าไปฆ่าแบคทีเรียโดยตรงเพราะว่ามันฆ่ายาก มันมีอุปรกรณ์วิธีการป้องกันตัวอะไรของมันต่างๆหรือพูดถึงในระบบร่างกายของเราเขาก็าออกแบบยามาเพื่อที่จะไปกําจัดอาหารของเจ้าแบคทีเรียแทนซะหรือไปสร้างสิ่งแวดล้อมที่แบคทีเรียมันจ ะ, จะเจริญเติบโตไม่ได้แทนซะก็เป็นการกําจัดแบคทีเรียไปโดยปริยายเขาก็เอาเทคนิคนี้แหละจากแบบนี้คุณสร้างโพชงเจ อาหารของอภิชามันก็ล้นลงไปโดยปริมาณ น, นั่นคือนิวรณ์ห้ า, ราประนด็นพ่อชงนั้นมีสมาธิเราคุณจะทําโพชงเจิดได้ไงเนี่ยทำสมาธิให้เกิดได้ก็ต้องมีสติปัฏฐานสี่เพราะสะติเนี่ยมันจะทําเกิดสมาธิสติปัฏฐาน4ี่จะมีได้ไงคุณต้องมีสุจริีสาคือมันมาด้วยกันเลยว่าถ้าเรามีสติแล้วกายวาจาใจก็ชื่อว่าได้รับการรักษา เหมือนบ้างมีหลังคาข้างด้านในมันไม่ถูก ร, รั่วรดด้านในนั้นก็คือกายวาจาใจมันก็ต้องมีอินทรีย์สองบอลมีการสํารุมอินทรีย์ไม่ถูกกิเลสเข้ากราบงามก็เพราะว่ามีสติสัมปชัญญะมีสติสัมปชัญญะไม่ถูกกิเลสเข้ากราบงามก็เรียกว่ามีการสัมรุมอินทรีย์ มีการสมรสู้มันก็มีสุจริตสมอย่างทําได้ครบถ้วนบริบูรณ์สติปัฏฐานสี่ก็อยู่ในนี้ปวชจงใจก็เกิดขึ้นอย่างที่ว่าคำถามเมื่อกี้คุณจะเจริญสติสัมปชัญญะได้ยังไงเ อ, อมันก็ต้องมีการใกล้กรุนโดยแยกข่ายตามระบบคิดให้เป็นคิดเป็นเนี่ยคือคิดตามระบบกองอริยสัจสีคือไม่ใช่ว่าไปตามทุกเลยคนที่เจอทุกอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยมีปัญหาแล้วก็ รำให้กำกรวนตุวบกชคตัวถึงความเป็นผู้มุนงงกลางเพอแต่ว่าถ้าเราเจอทุกมีปัญหาแล้วเราสังเกตดูสิว่ามันเป็นยังไงนัเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไงอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยนึกคิดตามปร ะ, ประเพณยศัสรีนะเหตุปัจจัยไม่ใช่คนอื่นไม่ใช่ผู้ใดบันดาลแต่มันต้องมาจบลงตรงตันหาสักจุดใดจุดหนึ่ง คิดโดยแยกคายตามกระบวนการของอริยสัจสีนั่นคือโย น, นิโสมนัสสิการคุณจะมามีโย น, นิโสมนัสิการเอาสิ่งนี้มาใช้ได้คุณต้องมั่นใจดีว่าอกระบวนการการคิดเนี่มันถูกต้องเปล่าเนี่ยออมันกินเหรียญลดไหมล่ะคุณมีศรัทธาคุณมีความมั่นใจตรงนี้ความมั่นใจตรงนี้คือความมั่นใจว่ามันจะได้ผลของการทําการปฏิบัติที่ถ้าคุณคิดตามอริยสัจสี่มันจะแก้ทุกได้ ศรัทธานี่ไม่ใช่ว่าความเชื่อนะทุกฝังเพราะความเชื่อมันแตกต่างกับความมั่นใจอยู่ความเชื่อไม่ใช่ว่าความเห็นแต่ความจริงคือความจริงความจริงมันไม่ใช่ความเชื่อว่าเชื่อว่าจริงมันแล้วมันจะจริงหรอมันไม่แน่หรือความเห็นว่ามันจะจริงแต่มันจะไม่ใช่จริงก็ได้นั่นเป็นเพียงความเชื่อแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้มันเบิกคุณต้องมั่นใจไง คุณทดลองทําดูคุณมีความศรัทธาคุณมีความมั่นใจซึ่งมีการทําการปฏิบัติในการใกล้กลัวตามกระบวนการที่ถูกต้องอยู่ในสอมนุษย์การจะมีศรัทธาได้มีความมั่นใจได้มันต้องมีการฟังมาก่อนอะ่ะเห็นมาก่อนอะนั่นคือการได้ฟังทำพอมีการฟังทำใกล้กลัวนี่มันจะเวิร์กไหมนะเออมันก็น่าจะเวิร์กอยู่นะมีความมั่นใจระดับหนึ่ง มีการอยนนิมนสมานิสการมาลองทําดูสิคิดเป็นระบบดูแต่นในทั้งใจนี่แหละเอา้ามันก็จงึงมีสติสัมปชัญญะขึ้นมาแต่เมื่อที่คุณได้ฟังทำในพระอะไรเนามันก็ต้องได้เจอคนที่เขาบอกเราได้เราฟังเขาแล้วจะรับฟังคำบอกคำสอนรับฟังคำตักเตือนกันด้วยความเคารพหนักแน่นรู้มีความเข้าใจ ถึงต้งมีกัลยาณมิตรมีเพื่อนดีมีคนแนะนำใบแนะนำไปแล้วฟังแล้วเป็นลไปตามเออมันถึงจะมีการได้ยินของที่มันเป็นความจริงในมันรก็ไร้กวนตามจริงดูอยู่นิโสดูเพียงแค่ตั้งใจว่าจะมองมันดูเฉยๆเนี่ยสติสัสมปชัญญะมันเกิดขึ้นทันดีแล้วนะมีสติสัมปชัญญะ จิตก็ได้รับการรักษามันคือมีอินทรีย์สองบอลพอจิตได้รับการรักษามโนกรรมวจีกรรมกายกรรมมันก็เป็นสุจริตออกมาจิตได้รับการรักษาด้วยการสํารวมอินทรีย์สองบอลมีมโนวจีกายที่เป็นสุจริตสศรีประทานสี่ครบครอบแล้วเศรีประธานสี่ครบรอบทวนโปรดชงเจต ก, ก็เกิดหนึ่งในนั้นก็เป็นสมาธิ เปนุเบกขามีการเข้าใจรก n รธรรมเป็นธรรมวิชยะเห็นตามความเป็นจริงแล้วความรู้คือวิชามันเกิดขึ้นดำฝังวิชาอาหารของมันทั้งพวงทั้งยวงหายไปดับไปโดยปริยายไหลมาตั้งแต่ตอนที่การได้เจอสับบุตรคนดีการไม่ได้เจอคนดีมันก็หายไปพอเรามีศรัทธาความขาดศรัทธาความไม่มั่นใจมันก็หายไป ไม่ต้องเชื่อตามคนอื่นในคำสอนของศาษษสนาตนมีจิตกิจฉาเป็นรายละเอียดของนิวรณ์ห้าก็ลดลงไปพอเรามีโยนิโสมนสิการการไม่คิดเป็นรูปมันก็ลดลงพอเรามีสติสัมปชัญญะความเผลอสติความขาดสัมปชัญญะมันก็ลดไปพอเรามีการสำรวจมินซีจิตระรังการรักษาความที่จิตจะถูกกิเลสกรอบงำมันก็ลดลงไป พอเรามีการทาความดีทางกายทางบาจาและทางใจเนื้อที่พื้นที่ที่เราจะไปทำกรรมไม่ดีมันก็ต้องลดลงตูจริสามันก็ลดลงพอเรามีพ่อชงเจ็ดองประกอบเจ็อย่างนี้จะทำให้นิวรนมันนอนกำลังแน่นอนเพราะมันมีสมาธิอยู่ในนั้นนี่แหละอาหารของอวิชาก็ลดลงลดลงอาหารของวิชาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น อวิชาก็จางกลายไปได้นววิชาก็ดับไปได้ด้วยอะไรในที่นี้สิ่สมารถปัญญาไงเพราะกระบวนการที่เราว่ามาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสีไม่ว่าจะเป็นโยนิโสมานัสิกานไม่ว่าจะเป็นสติสัมปชัญญะศรัทธาความเพียรพวกนี้วิริยองแปดอย่างเอ็นประเสริฐรวมกันเป็นหนึ่งันเดียวเราเรียกว่าทางสายเดียว เอกายโนมัโค no ทั้งสายเอกสายเดียวต้องเข้ากันเป็นหนึ่งอยู่ในนี้โดยความเข้ากันเป็นหนึ่งอยู่ในนี้เพราะความดับแห่งปัจจัเหมือนจึงมีความดับแห่งเวทนาได้นี่แหละตรงหวังความรู้มันอยู่ตรงนี้เลยคือถ้าเพราะมีปัจจัจึงมีเวทนาใช่ไหมเพรมันเป็นอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้หรอก มันต้องเป็นอย่างนี้คุณไม่รู้ใช่ไหมมันเป็นอย่างอื่น ไ, งไม่นั่นแหะเกิดวิชาแต่พระคุณรู้ว่าเออเพราะความดับแห่งภาษามันก็มีความดับแห่งเวทนาได้เนี่ยความรู้นั้นนั่นแหะคือวิชานะเหมือนเป็นอย่างนี้แหละกระบวนการทั้งสองอย่างมันต้องคู่กันมาเพราะบอกข้างเดียวเกิดอย่างเดียวเกิดอย่างเดียวและพูดแค่ว่าอันนั้นนะ่ะเป็นอย่างเนี้ยไม่เป็นไปอย่างอื่นคือมันพร่องอยู่นะฟัง คือมัเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเป็นอวิชชาที่มันสร้างอยู่แต่ต้องท่องสองอย่างว่าเพราะมีเวตนาจึงมีตันหาเพราะความดับแห่งเวตนาจึงมีความดับแห่งตันหาคู่นี้แหละเกิดขึ้นด้วยดับด้วยในคู่ของมันเองนี่แหละมันไม่เป็นไปอย่างอื่นมันต้องเป็นอย่างนี้อะไรที่เกิดแล้วไม่ดับไม่มีถ้ามีเหตุต้องมีผล คือเราก็ถ้าเหตุมันดับผลก็ต้องดับด้วยมันเป็นอย่างนี้คือเป็นตาตาตาแล้วมันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้นะว่าถ้าเกิดแล้วไม่ดับเนี่ยมันไม่เหมีม่ยมก็ต้องเกิดแล้วก็ต้องดับมันไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนี้คือเป็นบิตตาตาตามันจะไม่ไปเป็นโดยประการอื่นด้วยบ่อยถ้าเกิดแล้วเกิดเลยเนี่ยไม่ดับเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นอนัญญาตาตาท่านว่า เมืนเป็นความที่สิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นก็เรียกเป็นอีธาปัจญญตาเป็นธรรมดาเป็นอย่างงี้ยคือธรรมสิตาเป็นกฎใต้ตัวแห่งธรรมดาเป็นธรรมนิยามตาคือตอนเราจะจับคู่คำที่กบพระเจ้าพูดมาทั้งหมดเนี่ยตาตาตอวิตาตาอนัญญาตตาอีธาปัจญญตาธรรมสิตาธรรมนิยามตานี่ว่าทาแหม คุณไม่รู้มันจะเป็นอย่างนี้หรอเนี่ยมันคืออวิชชาอวิชชาคู่กับตาตาตาอวิชชาคู่กับอวิตาตาตาอวิชชาก็คู่กับนันยตาตาไม่รู้่ะอวิชชาก็คู่กับอิทัปชยตาอวิชชาหมดอวิชชาหมดก็อวิชชาเบอร์หนึ่งอวิชชาเบอร์สองอวิชชาเบอร์สามเลยอวิชชามันจะกองกองความมืดทงหมฟังเยาะกมาดิ นี่มันเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอางื่นเกินและไม่ดับไม่มีนั่นคือตาตาตามันไม่ผิดไิจากความเป็นอย่างนี้ละ่ะมันไม่เป็นไปโดยประการอื่นนี่แย่ออกมาแย่ออกมาเราก็ค่อยคอยเห็นว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้เกิดแล้วไม่ดับเนี่ยไม่มีในที่เราไม่รู้เนี่ยนั่นคืออภิชารเราสร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยในปัญญาเหตุเงื่อนไขปัจจัยเกิดเอ๊มันก็เกิด ปัญญาตรงนี้เราจะถึงค่อยเห็นว่าอ๋อบางทีมัก ม, มันดับมักนี่ก็เป็นการปรุงแต่งแล้วเนี่ยเป็นสังขารเหมือนกันเป็นสังขารชนิดที่เป็นการปรุงแต่งแล้วเราจะเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปเนี่ยได้ตรงนี้แหละมันจึงเป็นปัญญาซึ่งนิโรธนี่แหละท่านฟังที่เราต้องทำให้แจ้งแต่มันยังไม่แจ้งเหลือวิชามันยังมีอยู่ เราเดินตามทางสมประทางนั้นหมายถึงการให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างคือมาประเสริฐนั้นคือไม่ได้ทำได้ง่ายๆหรือจนต้องค่อยททำให้มันเจริญเราเจริญมันขึ้นเจริญมันขึ้นรวบรวมมาให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นคือทางที่ประกอบด้วยองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างแล้ว อาวิชาเต็ฟังคือความไม่รู้มันจะค่อยจางคลายไปคลายไปจนดับไปได้ความรู้จะค่อยเกิดขึ้นเกิดขึ้นจนมีเต็มขึ้นมาได้มีวิชามีวิมุตได้กําจัดวิชาละตันหาได้เมื่ อ, อวิชาหมดไปเมื่อตันหาละไปนั่นแหละเต็งฟัง ที่พาจะไม่มีเหตุมีปัจจัยมีเงื่อนไขอะไรเนี่ยเกิดขึ้นดับไปเนี่ยมันไม่มีแล้วมันดับไปแล้วเหมือนกับถ้ามีเทียนมีไส้คุณจุดไฟความร้อนขึ้นปเปลวไฟมันก็มีแต่ถ้าไส้ทเทียนไขทเทียนมันหมดไปไฟมันก็ดับไปเฉยแต่เหตุปัจจัยเงื่อนไขเราเหนื่อได้ดับได้ แล้วเชื้อที่จะให้มันมีเกิดมันไม่มีเชื่อนั้นเกิดวิชานี่ตรหนด้วยเนี่ยมันมาด้วยกันเนี่ยดับไปแล้วเนี่ยก็ผลทุกข์ละสบายนะท่านฟังจุด ท, ที่เหลืออยู่มีอยู่ดำรงอยู่นี้ก็ดำรงอยู่ด้วยความราเริงเป็นเติงใจสบายใจได้หรือกรายเรียดเรื่องของอวิชชาในพูดถึงนิยามก็มัน ตัวมันยยกแยะแจกแจงเป็นอย่างไรอาหารก็มันคืออะไรแล้วจะดับละอวิชานี้ได้อย่างไรท่าฟังสามารถที่จะติดตามฟังในช่วงของใต้ร่มพบทติดีจะเป็นการนำหัวข้อธรรมมาพูดคุยอธิบายโดยเริ่มจากการทำสมาธิสักครู่หนึ่งได้ทุกวันพุทธแ้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตั้งแต่เวลาตีหถึงโมงเช้า โดยมีข้าพชาพระมหาภัยบูนอะพิภูนโนเป็นผุรดำเนินการและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เรนพรา